สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากเสียงพิบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดสาวกครั้งที่สิบแปดเรื่องการเสียสละครั้งที่สองเมื่อวานนี้นะครับผมได้กล่าวไปเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจติดตามพระเยซูเป็นสาวกนั้นจะต้องเสียสละเวลาที่คนเหล่านั้นตัดสินใจถวายตัวติดตามพระเยซูในการประชุมใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องที่ ดีครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจแต่ในแง่เดียวกันครับการแบกไม้กังเขนและการที่จะปฏิเสธตัวเองไม่ยอมทําตามอําเภอใจของตัวเองตามพระเยซูปไปนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเป็นการพิสูจน์ถึงการถวายตัวอย่างแท้จริงหลายๆครั้งนะครับคนมีความตั้งใจและแตัดสินใจแต่ยังไม่ได้ทําอันนั้นก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเดินมาอยู่ในทางนี้แหละครับเป็นทางที่พระเจ้าจะอวยพรมากมาย แม้ว่ามันจะมีอุปรสรรคมีขวักน้ํามีหลายอย่างนะครับแต่เป็นทางแห่งพระพรอย่างแท้จริงครับพี่น้องและเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องเสียสละต้องคิดดูให้ดีเช่นก่อนสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเราคิดดูแล้วนะครับเราจะตัดสินใจอย่างไรพระเจ้าจะเป็นผู้นําเราเองครับเพระมิญาบริสุทจะชี้ทางเราและประทานความมั่นใจสําหรับผู้ที่รับการทรงเรียกและการทรงเลือกจากพระเจ้า หลายครั้งทีเดียวครับคนก็กลัวคิดว่าเวลาที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกนั้นเป็นเรื่องของการต้องตัดสินใจแบบทํางานฟู l l t i m รับใช้พระเจ้าแบบเต็มเวลาแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ครับการอุทิศตัวให้พระเยซูนั้นพระองค์ต้องการการเต็มใจครับความเต็มใจที่เสียสละและยอมที่จะปรณนาตัวถวายตัวอุทิตตัวมอบตัวเองไว้ให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วแต่การทรงนําของพระองค์ นะครับนั่นหมายความว่าเรากําลังมอบสิทธิในการที่จะตัดสินใจในการที่จะทำนะครับให้อยู่ในพระหักอยู่ในมือขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมอบตัวเองเพื่อที่จะให้ทําตามนมันไทยของพระองค์อย่างแท้จริงพี่น้องครับพระผู้ช่วยรอดของเราจรึงตรัสว่าเจ้าต้องคิดอยวให้ดีในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะขอแบ่งปันตัวอย่างที่สอง ตัวอย่างแรกเกี่ยวเรื่องของการสร้างตึกแต่ตัวอย่างที่สองนั้นเกี่ยวกับเรื่องของกษัตริย์ผู้จะประกาศสงครามครับกษัตริย์องค์นี้กําลังจะประกาศสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งถ้าเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดหรือพระราชาที่ฉลาดนั้นจะต้องคิดดูก่อนครับว่าทหารเขามีหมื่นคนเนี่ยจะพอที่จะปราบกองทัพศัตรูที่มีกําลังคนถึงสองหมื่นคนสองเท่าชนะหรือเปล่านะครับชนะหรือเปล่าถ้าไม่ชนะทําไงครับ เป็นการโง่ามากใช่ไหมครับที่พระราชาจะประกาศสงครามก่อนแล้วมาคิดถึงปัญหาพี่น้องครับหลายหครั้งทีเดียวเนี่ยเราไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดล่วงหน้าให้ดีครับเป็นการโง่ามากของเราที่เราจะเสียสละหรือเราจะถวายตัวโดยที่เราไม่คิดว่าเราจะได้อะไรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับการคิดว่าเราจะได้อะไรเราจะชนะหรือเปล่าเนี่ยครับ เป็นสิ่งที่เราจะต้องไขคน้ออนพิจารณาให้ดีเพราะว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูนั้นได้เชิญชวนและท้าทายเราแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจขอให้คิดดูให้ดีเรืกับการคิดดูให้ดีนั้นทําให้เรานั้นตัดสินใจด้วยความมั่นใจและเดินต่อไปจนถึงสุดทางสุดท้ายของชีวิตที่นะครับอย่าลืมนะครับเป็นการโง่ามากค่ะพระราชาจะประกาศสงครามก่อนแล้วเข้ามาคิดดูถึงปัญหาทีหลัง แล้วถ้าพงษ์ก็จะทำได้ก็เพียงแต่ยกธงขาวนะครับคลานเข้าไปอ้อนวอนขอสงบสึดอย่างน่าสงสารหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเราคิดว่าเราคงไปไม่ได้แพ้เราก็คิดที่จะไม่สูญเสียมากโดยการที่ยอมครับยอมที่จะยกธงขาวขอยอมแพ้ขอเจรจาขอสงบสึกยาสึกนะครับคลานเข้าไปอ้อนวอนแต่งทูตเข้าไปเจรจาก่อนขอสงบสุดอย่างน่าสงสารหมายความว่าก็ต้องยอมครับ พี่น้องครับไม่เกินความจริงเลยนะครับที่เราจะเปรียบเทียบชีสเตียนกับสงครามครับคริสเตียนเรานั้นมีศัตรูตัวร้ายได้แก่โลกิยะวิสัยฝ่ายต่ํามารซาตาหลายครั้งทีเดียวครับคริสเตียนต้องท้อถอยหลังเลือดทนทุกเป็นเวลานานทีเดียวที่เขาจะต้องเฝ้ารอคอยวันที่แจ่มใสเขาต้องน้ําตานองหน้าทํางานหนักและถูกลองใจถูกทดลองถูกข่มเหงต้องประสบกับความตายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน พี่นะครับหลายหครั้งทีเดียวนะครับเราจะเห็นบนรรดชนแห่งความเชื่อในสมัยโบราณจะต้องเอาชีวิตเข้าแลกครับในสมัยนี้ก็พบเช่นเดียวกันครับในประเทศที่เป็นศาสนาที่รุนแรงถือศาสนาที่รุนแรงและก็ข่มเหงคริสเตียนบางครั้งการเมืองก็มาข่มเหงคริสเตียนนะครับการเมืองการปกครองก็มาข่มเหงคริสเตียนบางครั้งรัฐที่ศาสนาอื่นๆก็ข่มเหงคริสเตียน พี่น้องครับคนใดที่ตั้งใจติดตามพระเยซูก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีอีกภาพหนึ่งที่เราอยากจะให้คิดถึงก็คือคิดถึงสวนเก็บเมเมครับสวนเก็บเซนนั้นจะนาไปสู่กรคโท่าสวนเก็บเนคืออะไรครับคือการที่พระเยซูนั้นได้ย้าตัวเองยืนยันตัวเองแม้ว่าความเจ็บปวดแม้ว่าความตายจะรออยู่ข้างหน้า โรรงทรงทราบดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องครับใ น, นบสวนเกตเซมานีนี่เองเยซูก็ได้ขอให้เป็นไปตามน้ำมัไทยของโปรงจอกนี้หักเลื่อนได้ขอเลื่อนแต่อย่างไรก็ตามขอให้เป็นไปตามพระไทยของโปรง่งพี่น้องครับแผนการของพระเจ้าส่งพระเยซู ล, ลงมาในโลกนี้เพื่อที่จะช่วยเราทั้งหลายให้รอดโดยการสิ้นประชนของโรง อย่าลืมครับเมื่อเรามีสวนเกศเซมานีก็คือการตัดสินใจนะครับก็จะนําไปสู่โกละโกธาก็คือไม้กางเขนนั่นเองเพียงครับคนที่จะตั้งใจติดตามพระเยซูต้องคิดถึงสวนเกศเซมานีและโกละโกธาต้องคิดดูให้ดีครับว่าเขาจะมอบตัวรับใช้พระเยซูหมดสิ้นหมดหมดทั้งตัวหรือเปล่าหมดทั้งชีวิตหมดที่ข้ามีหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องยอมแพ้อย่างหมดประตู ด้วยความอับอายขายหน้าพระเยซูทรงใช้สองตัวอย่างนี้ครับเตือนผู้ฟังที่ตัดสินใจอย่างหุนหันพันแล่นว่าจะเป็นสาวกพระเยซูอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่างหุนหันพันแล่นครับพรงสัญญาได้ว่าเขาจะได้รับการข่มเหงความลำบากความยากยากเย็นแสนเข็ญความทุกโศกจะต้องเคิดดีเสียก่อนนะครับพ ร, พระเจ้าที่อยากจะหนุนใจ ในเวลเดียวกันก็ท้าทายท้าชวนครับลูกาบทที่ 14, สิบสี่ข้อสามสิบสามเปเยซวทคิดถึงเรื่องอะไ ร, ระเปียซเวทคิดถึงเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือว่าทุกคนในพวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัด ท, ที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้โปรดฟังอีกครั้งนะครับลูกาบทที่สิบสี่ข้อสาสิบสาม ทุกคนในพวกท่านที่มิได้สลระสิ่งสารพัที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้หลายคนถามว่าต้องสละหมดทุกอย่างเที่ยวหรือคำตอบของพระเยซู 2,000 ปีมาแล้วครับก็คือสละหมดทุกอย่างสละหมดทุกอย่างที่ตนมีอยู่นี่แหละครับคือความหมายที่พระเยซูช่วยให้รอดพระเยซูช่วยเราให้รอดได้ก็คือพระองค์ฉลัทุกสิ่งที่มีอยู่บนฟ้าสวรรค์ และลงมาเป็นมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นคนที่ตามพระองค์ไปจะต่อรองอะไรกับพระองค์ไม่ได้เลยครับพี่น้องผมอยากจะพูดอีกครั้งนะครับคนที่ตามพระองค์ไปจะต้องสละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่ต่อรองอะไรกับพระองค์ไม่ได้เลยในพระองคพีได้พูดถึงคนที่ไปต่อรองครับบอกว่าขอไปฝังศพดิดาก่อนขอไปดูแลคนที่บ้านก่อนเขาไปจัดการธุระอะไรก่อนพี่น้องครับ ถ้าพระเยซูผู้มั่งคั่งยังยอมอาสามาเป็นคนยากจนได้สาวกของพระองค์จะได้มงกุฎมาด้วยการเสียสละน้อยไปกว่าพระองค์ได้หรือพระเยซูจบคำสนทนาโดยสรุปว่าเกลือเป็นสิ่งดีครับแต่ถ้าแม้เกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วก็จะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้พยะเจ้าก็ในสมัยก่อนนั้นเขาไม่มีเกลือบริสุทธิ์เหมือนอย่างที่เรามีตั้งโต๊ะทุกวันนี้เกลือของเขานั้นมีทรายปนครับ เกลือยิงสูนเสือความเค้นไปได้เกลือที่ขาดรถและขาดคุณค่าก็ใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินบางทีก็ยังไม่ได้เลยครับเพราะทาให้ดินเค็มเกินไปบางทีก็ามาทําทางเดินครับเห็นเกลือที่ม่ประโยชน์นั้นถูกเททิ้งไปถูกเหยียบย่าใต้ฝ่าเท้าอันนี้พบในพระธรรมวิชิตบทที่ห้าข้อสิบสามตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนนะครับว่าคริสเตียนเรานั้นมีจุดมุ่งหมายใหญ่อยู่อย่างหนึ่งก็คือถวายเกลือดแด่พระเจ้าด้วยชีวิตที่พระเจ้ามอบให้กับเรา และชีวิตทีมพ่อเจ้าม่อยกับเราทั้งหมดนั้นเราต้องถวายให้กับพระองค์ทั้งหมดครับคริสเตียนจะสูญเสียลักษณะของคริสเตียนไปด้วยการสะสม ส, ะสมบัติในโลกนี้เราอาจจะทํางานเพื่อความสะดวกสบายความเพลิดเพลินเราอาจจะหาชื่อชื่อเสียงเกยยียรติยศใส่ตัวเราอาจจะใช้ชีวิตและความสามารถให้หมดไปในทิศทางที่ไม่สมควรโดยวิธีนี้แหละครับที่เขาสูญเสียเอกลักษณ์และความเป็นลักษณะคุณลักษณะของคริสเตียนไป พี่น้องครับการที่เราจะมีชีวิตที่เพิดพระเกียรติวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับถ้าเราพลาดเป้าหมายชีวิตคดเสียงของเราเราก็พลาดหมดทุกอย่างเราไม่เป็นประโยชน์ชีวิตของเราไม่งดงามเหมือนกับเกลือที่ขาดรสเค็มต้องถูกเหยียบย่าในที่สุดพระเยซูสอนครับว่าใครมีหูจงฟังเถิดพระเยซูสอนอะไรที่ยากๆนะครับพระเยซูมักจะให้เราตั้งใจ คิดพิจารณาและตัดสินใจพระองค์มจะตัดว่าใครมีหูก็จงฟังเถิดก็เหมือนดังว่าพระเยซูทรงรู้ว่าทุกคนจะไม่รับถ้อยคํานี้ของพระองค์พระองค์ทรงทราบว่าบางคนจะพยายามอธิบายโดยเอาความหมายบางตอนออกไปเสียแต่พระองค์ก็ทราบว่าจะมีผู้ที่เปิดใจยอมรับคําของพระองค์คนเหล่านี้จะทราบว่าถ้อยคําเหล่านี้มีค่าควรแก่การเชื่อฟังอย่างยิ่ง มีค่าควรแก่การเชื่อฟังมากน้อยขนาดไหนพี่น้องครับเปยชูปเปิดประตูให้กับเราคนที่มีหูจงฟังเอาเถิดอาเมน